หัข้อหมวดเวทนาเมื่ออาศัยลมหายใจเป็นทางรู้กายว่าไม่เที่ยงได้แล้วหากถามตัวเองว่าจะขยับต่อไปให้ก้าวล่วงเข้ามารู้ในขอบเขตของใจบ้างควรจะทำอย่างไรอันนี้ถ้าให้ตั้งโจทย์ถามตัวเองก็จะได้คำตอบว่านา ม, มาทำอันเป็นภาวะทางใจที่ดูง่ายสุด น่าจะเป็นสภาพที่เกี่ยวเนื่องกับกายนั่นเองบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ตัวที่สุดหรือกระทั่งประชิดติด ต, ตัวที่สุดก็คือสิ่งที่เรามองผ่านและไม่เคยสังเกตอย่างที่สุดเช่นเมื่อทอดร่างหลงนอนเหยียดยาวเราจะบอกตัวเองว่าสบายจังแต่ไม่สังเกตว่าภาวะสบายจังนั้นเกิดขึ้นช้านานเพียงใด แปรปรวนไปเป็นอึดอัดเมื่อขบเกรงต้นคอหรือแผ่นหลังให้ต้องพลิกขยับเป็นอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ความรู้สึกสบายหรืออึดอัดทางกายนั่นแหละครึ่งครึงอยู่ระหว่างกายกับใจตามนิยามนั้นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยหากดูนิยามของสุขก็คือความสบายกายหรือสบายใจ หากสบายกายก็เรียกว่าเป็นสุขเวทนาทางกายหากสบายใจก็เรียกว่าเป็นสุขเวทนาทางใจส่วนความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นั้นเบื้องต้นอาจเมาให้เป็นสุขไปพลางๆก่อนก็ได้เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบฉะนั้นในมุมมองของการตั้งสติกำหนดจริงที่แท้ก็คือ ดูความอึดอัดหรือสบายนั่นเองจะอยู่ท่าไหนจิตใจจดจ่ออยู่กับอะไรแม้ขณะปัจจุบันนี้วินาทีนี้ก็ต้องมีอาการปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างสบายกับไม่สบายกันทุกคนแต่ฉันพิจารณาแล้วว่าถ้าจิตกำลังคลุมเครือคิดฟุ้งซ่านอยู่จะดูไม่ออกว่า เวทนาเป็นอย่างไรเมื่อใดเวทนาหนึ่งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อใดเวทนานั้นๆเปลี่ยนไปโจทย์คือทําอย่างไรจะออกจากจุดเริ่มต้นได้ถูกโดยไม่สับสนและไม่หลงสติเห็นเวทนาแบบเลอะเลือนเลือนตรงนี้ก็ปฏิปตอกันได้พอดีกับการฝึกในหมวดกายที่ผ่านมา ถ้าหากสามารถรู้ลมหายใจได้ชัดเจนต่อเนื่องผลทางกายย่อมเป็นสุขนานคือสบายกายแบบสดชื่นตอนลากลมหายใจเข้าสบายกายแบบผ่อนคลายตอนระบายลมหายใจออกและเมื่อกายเป็นสุขใจย่อมสงบอาการสงบระงับความฟุ้งซ่านนั่นเองคือสุขเวทนาทางใจเมื่อแยกออกว่า ความสุขทางกายกับความสุขทางใจแตกต่างกันอย่างไรฉันก็เชื่อว่าจะเป็นเส้นทางเข้าถึงภาวะอันเป็นนามธรรมหยาบละเอียดได้ตามลําดับเมื่อเห็นครบทั้งหยาบและละเอียดจิตย่อมปล่อยวางทั้งในระดับตื้นและในระดับลึกสรุปคือฉันวางแผนจะเริ่มดูลมหายใจจนเป็นสุขทางกายได้ แล้วค่อยขยับมาดูสุขทางใจน่าจะสอดคล้อง ก, กันกับที่พระพุทธองค์ทรงแยกเวทนาไว้สองชนิดคือเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจและในสติปัฏฐานพระองค์ให้ดูโดยเปรียบเทียบเวทนาเป็นอย่างๆก่อนพอยกสติเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นแล้วว่าหน้าตาเวทนาเป็นอย่างไร ก็ค่อยดูเวทนานั้นๆโดยความเป็นของเกิดดับในภายหลัง